โดยดังตรินจากนิจยศสารธรรมะใกล้ตัวฉบับที่54เสียงอ่านโดยโจโช